รอบสองตรวจกันบ้านบางคนก็กลัวนะบางคนก็ชอบแต่ส่วนมากชอบตอนที่ตัวเองยังไม่ได้ตอบอยังไม่ได้ถามเพราะตัวเองถามแล้วรู้สึกคนอื่นถามหน้าเบือ่อก่อนหน้านั้นไม่รู้สึกเบือ่อเพราะมัวลุ้นว่าจะได้ไหมหลวงพ่อก็ไม่นึกวิธีไม่ออกนะว่าจะทอยังไงให้ยุติธรรมที่สุดยังยกมือเอาหลวงพ่อบางทีก็ดูไม่ทันหรอก เราแก่แล้วนะจะหันเลือกรักเลิกรักนี้แล้วก็คงตกเก้าอี้ไปเลยยังไงก็ข อ, อหัวสิกรรมไปด้วยนะยกมือแล้วไม่เห็นอนะไรเงี้ยหรือเห็นแล้วจัดลำดับไม่ถูกแล้วบางทียกพร้อมๆกันเจ็ดแดคนไม่รู้จะชี้คนไหนเลยจะหาคนช่วยชี้เดี๋ยวก็เป็นที่เกลียดชังของคนจำนวนมากนะใครเป็นคนชี้ก็ต้องถูกเกลียดรู้สึกอยจกทาให้คนต้องรับเบญรับกรรม จริงๆแล้วกรรมฐานเนี่ยจับหลักให้แม่นๆนะไม่ต้องถามมากหลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ค่อยถามหรอกสังเกตเอาค่อยสังเกตของตัวเองเอาสรุปได้อย่างหนึ่งนะว่าเวลาที่เราภาณาผิดเนี่ยเพราะกิเลสทุกทีเลยเรารู้ไม่ทันกิเลสไม่มีเรื่องอื่นหรอกเช่นเราอยากมีโลภะเราอยากได้เร็วๆนะไปนั่งจ้องเอา จ้องเอาจ้องเอาหรือเรามีโทสะเห็นสภาวะแล้วเกลียดมันอยากละอยากแก่นี่น้นก็ไม่เอาอั น, อ น, นี้ก็ไม่เอานะหรือมีโมหะฟุ้งซ่านนะนั่งภาวนาแล้ว เ, เห็นน้นเห็นนี่ฟุ้งซ่านไปไม่เห็นกิเลสตัวเองนะส่วนมากในที่ภาวนาผิดเพราะกิเลสทางนั้นนะ่ะกระทั่งดูเหมือนกุศลนะบางทนะีรักดีรักดีเหมือนเป็นกุศลนะคำจริงโลภนะดู มันทนความช่างสังเกตของเราไม่ไหวสังเกตใจตัวเองไปหลวงพ่อประคับประคองตัวเองมาด้วยวิธีนี้แหละสังเกตไปเรื่อยๆไม่เชื่อง่ายบางครั้งนะเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาไม่รรบรรลุล่ะมั่งเน่ยมีอยู่คราวนะภาวนาเห็นมันเป็นดวงสว่างนะแหวกเหมือนพระอาทิตยนะ์อะแหวกขึ้นมาแหวกสิ่งห์ห่อหุ้มปกคลุมขึ้นมานะโออีกนิดเดียวหลุดละ แหมมันเหลืออีกหน่อยหนึ่งมันไม่หลุดเอหรือว่าแบกเกือบเกือบครึ่งครึ่งเนี่ยอนาคาลรามันความจริงคาราคาสั่ ง, งไม่หลุดนะไปกราบเรียนครูบาอาจารย์นะบอกว่าผมไม่เชื่อมันหรอกไม่เชื่อจริงๆรินะไม่เชื่อจริงจริงนะแต่มันดูคล้ายคล้ายคือวันที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะราคานี่หายไปเลยไม่มีการมาราคาอีกเลย โอ้ชลอยจะอนาคาแต่ทำไมมันพิลึกพิลึ ก, ลกมีภาพประกอบด้วยนะก็ไม่ไม่ปรงใจเชื่อเข้าไปหาหลวงปู่ดูลบอกมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมก็ไม่ไว้ใจหรอกนะยังตามดูกิเลสอยู่ท่านบอกเออดีมันเป็นนิมิตเป็นนิมิตหลวงปู่ฟันธงเลยนะเป็นนิมิตและอีกไม่นานนะได้ไปกราบหลวงพุทธ ได้เล่าท่านอีกเอากันบ้านเก่านี่แหละปัดฝุ่นนะท้ยายมาจากวัดโน้นมาปัดฝุ่นวัดนี้นะใครจะภาวนามีผลงานส่งกันบ้านได้ทุกวันนะก็เ อ, เอาไปปัดฝุ่นถวายหลวงพู่เทศนะท่านก็ยิ้มยิ้มนะหลวงพู่เทศท่านจะไม่ค่อยฟันโชกๆอย่างหลวงปูดูล่ะหลวงพู่เทศท่านบอกดีแล้วที่ไม่เชื่อมันนั่นพูดแค่นีย้ยิ้มยิ้มให้ภาวนาวอีก ถ้าเราโลภมากนะเราเจ๋งแน่ไว้รอบนี้ใช่แน่น ะ, นะถ้าเราช่างสังเกตนะมันล้วนแต่กิเลสทั้งนั้นหน่ะที่ทําให้ภาวนาผิดให้ช่างสังเกตเอาสภาวะทั้งหลายทั้งปวงไปก่อนจะรู้เนี่ยอยากจะรู้เห็นไหมเที่ยวไปสแสวงหาเที่ยวดูโน่นดูนี่เที่ยวแสวงหาเราก็รู้ทันเลยเนี่ยผิดละพอหาไปเจออะไรก็ไปจดจ้องเอาไว้นี่ก็กิเลสพาให้จดจ้องอีอยากรู้ให้ชัก ไปจ้องไหมจ้องแล้วเออ่นี่เป็นกุศลทายังไงจะเกิดบ่อยๆนี่โลภะอีกแล้วนี่เป็นอกุศลทายังไงมันจะดับได้ทําไงมันจะไม่เกิดอีกนี่โทสะอีกแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งเห็นโน้นเห็นนี่นะนิมิตนี่มีทุกรูปแบบเลยนิมิตไม่ใช่แค่ตามองเห็นนะนิมิตที่เป็นรูปก็มีนิมิตเป็นเสียงก็มีนิมิตเป็นกลิ่นก็มีนิมิตเป็นรสก็มีนิมิตเป็นสัมผัสทางกายก็มี นิมิตเกิดขึ้นทางใจก็มีเนี่ยมันเกิดได้สารพัดเลยที่จะหลอกให้เราลงผิดนี่เยอะแยะไปหมดเลยต้องตั้งหลักให้ดีนะช่างสังเกตนะอย่าเชื่อกิเลสป็นหลอกอ่ะนิมิตตามองเห็นอย่างนั่งๆั่งอยู่เห็นเทวดามาเยอะแยะเลยนะถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยนะเนี่ยจิตฟุ้งซ่านไปจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านสองชนิดชนิดที่1เทวดามาจริงๆแต่ฟุ้งซ่านไปรู้เข้าๆ ทำไมไม่รู้ตัวเองไปดูเขาจิตออกนอกนั่นแหละอีกชนิดหนึ่งเทวดาไม่มาหรอกจิตปรุงขึ้นเองนะพอปรุงขึ้นมานะพอเห็นเป็นเทวดาปุ๊บเนมือนกิเลสจะทํางานต่อเลยอืชะรอยเราจะเป็นผู้มีบุญเทวดายังมาไหว้เลยเนะี่ยกิเลสครอบหัวเอาอีกละวใช่ไหมยต้องสังเกตนะนี่มิตเป็นเสียงก็มีนะบางครั้งนั่งภาวนาไปได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศให้ฟังนะบางทีก็เสียงลึกลับนะ นิมิตเป็นเสียงก็มีนะอย่างบางทีนั่งนั่งอยู่ได้ยินเสียงคนพูดอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นความคิดของเขาเราได้ยินเป็นเสียงอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็นิมิตทั้งหมดอะไม่เอานะนี่มิตรเป็นกลิ่นก็มีนั่งนั่งแล้วได้กลิ่นบางคนนั่งภาวนาไปนะได้กลิ่นตัวเองไหมอย่างพี่พี่แอดเคยเป็นนั่งแล้วได้กลิ่นตัวเองไหมขึ้นมานี่ก็นิมิตนะนิมิตเป็นรสก็มีกินข้าวนี่แหละกับข้าวแล้วไม่อร่อยเลยวันนี้นะ กินไปกินไปอุ๊ยอร่อยชะมัดเลยชะลอยจะมีบุญเทวดาเอาอาหารทิพมหยอดคําจริงนิมิตมอนเกิด น, ะนิมิตเป็นสัมผัสทางกายก็มีอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งนะหลวงพ่อเคยตอนนั้นภาวนาบวชเป็นพระตอนเป็นนักศึกษาอยู่วัดชนประธานนั่งภาวนานะเมื่อยแล้วเมื่อยอีกก็อดทนนะทนทนท น, ทนวันนั้นนั่งอยู่จนนบ่ายลยเมื่อเต็มประดานะนั่งเหยียดขาออกไปเลย เนี่ยเห็น <Ende> ม <esa asses> ีคนเดินเข้ามานวดให้นะมันกดลงไปนะกดเส้นตรงนี้ยรงนี้กดนะเห็นมันบุมลงไปเลยนะเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอกดไว้สี่สิบวินาทีแล้วปล่อยโอ้โหหายเมื่อยเลยนะอยากให้มาอีกไม่มาเลยเนี่ยเนี่ยนิมิตทางกายสัมผัสอย่างนี้ก็มีนะแล้วนิมิตเนี่ยสารพัดนิมิตทางใจเที่ยวรู้เที่ยวเห็นบางที โอ้คนนี้ตายไปโน่นคนโน้นตายไปนี่เองที่จิตหลอกเราทั้งนั้นเลยกิเลสหลอกเราทั้งนั้นเลยหรือนิมิตเห็นนะนี่บรรลุแล้วยังงอนอย่างงี้ขึ้นมานี่สิ่งเหล่านี้เชื่อไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเพราะฉะั้นสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหลายเนะี่ยจำไว้อย่างนะมันเกิดจากกิเลสทั้งนั้นเลยกิเลสมันพาให้ผิดเพราะฉะั้นถ้าเรามีสติรอบคอบไม่เชื่อง่ายสังเกต จ, จิตใจของเราไปมีสติมีปัญญาซักฟอกจิตใ จ, จของเราคนฟ้าพิจารณาอยู่ในจิตในใจเนี่ย กิเลสมันทนสติปัญญาไม่ไหวหรอกนะมันจะต้องเผยโฉมตัวจริงออกมาเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะไม่ต้องมีคำถามมากนี่พูดเพื่อกันไม่ให้ถามเลยนะวันนี้ใครจะใจถึงไม่ถามบ้างนะต้องพูดไว้ก่อนเพราะว่าให้ถามได้ไม่ทั่วถึงนะเอาคนอยู่วัดคนไหนอยากถามก็ถามคนไหนไม่มีธุระก็ไม่ต้องถามให้คนอื่นเขามีไหมวันนี้เอาคุณมาลีเชิญ จิตไม่ถึงฐานเจ้าค่ะยังฟุ้งซ่านอยู่เจ้าค่ะโมหะเยอะอยู่เจ้าค่ะดีใช้ได้นะวันนี้ไม่รู้จะส่งอะไร่ะคะเจ้าใจทื่อๆใจมันทื่อๆไปนิดนึงดูออกไหมันนิ่งๆอ่ะค่ะมันมันโล่งๆว่างๆไม่ไมีอะไรมันไปติดล็อกอยู่นะบางคนไปอยู่ตรงเนี้แล้วรู้สึกดีโอ้ยฉรอยจะบรรลุแล้ววะสามวันสามคืนแล้วไม่มีกิเลสมาให้ดูเลยไม่มีหรอกตรงนี้ยว่างๆอยู่แค่นั้นแหละ ใจมันนิ่งนิ่ ง, ง ท, ư, ท ư, ื่อๆเรีวมันไปเกยตื้นเกยตื้นอยู่แนละ้วไปสร้างพบไว้อันหนึ่งแล้วไปเกาะ อ, อยู่อยู่ที่เรารู้ทันแลนะ้นิ่งนิ่งรู้ว่านิ่งอย่าไปเชื่อมันว่าบารรลุเนกิเลสหลอกว่าบารรลุอะไรเงี้ยอาคุณสืบ ข, ขออนุ ญ, ญาตถามมืวานครับพ่ อ, อหลุ่มพ่อครับก็คือว่าตอนกองที่หลวงพ่อมาเนี่ยผมก็เดินจงกรมแล้วก็ขยับมือสร้างจังหวะ คิดว่ามันจิตมันก็คงเป็นสมาธิมันมันตั้งมั่นระยะหนึ่งแต่พอหลวงพ่อเข้ามาแล้วคิดว่าอาจจะอยากจะขยับตัวขยับมือให้มันรู้ตัวชัดหลวงพ่อก็เลยบอกว่าจิตมันถลำลงไปรบกวนหลวงพ่อช่วยช่วยเฉลยทีครับที่ว่าจิตถลำคืออยากจะเห็นสภาวะชัดหรือว่าไปดูที่มือครับอย่างเงี้ยครับมันมันมีโลภะนะครับมันอยากจะดีใช่ไหมโลภะเกิดกันนี่ก็ดจากิเลสเท้านั้นแหละครั บ, รบแล้วเนี่ยมันก็จงใจแล้วกลัวว่าจิตจะหลงไปไปจ้องใส่มือไว้ จิตมันจะเคลื่อนไปอยู่ที่มือนะบางทีไม่เคลื่อนไปอยู่ที่มือนะเคลื่อนมาอยู่แถวแถวนี้ก็มีอยู่แถวแถวนี้ยแล้วก็ขยับนั่นก็ทําเป็นรู้จิตไปค้างอยู่ที่ใดที่หนึ่งโอเคครับถล่มทั้งหมดอ่ะครับทราบแล้วครับขอบคุณครับมีโมหะแล้วไม่ตั้งมั่นครับถูกต้องอ้าวคุนโชคชัยกราบนมาตการหลวงพ่อขอโอกาสสักสองเรื่องครับ เรื่องแรกก็จิตใจมันมันมีมณอาตาสูง mm hmm. แล้วเราก็จริ ง, รงๆเราเราก็เคยรู้มันแต่ตอนนั้นเราเราก็เหมือนยอมรับได้แล้วเราก็เห็นมณะาตาตัวเราเองเราก็บอกโซวอตวะก็คื อ, ค อ, คอมันทำไมมันไม่เราเราไม่ได้รู้สึกอะไรนี้มันเห็นเ ม, มื่อวานเห็นบ่อย ตั้งแต่น้องเกดที่ได้รับคำชมเราก็ไปแสดงความยินดีด้วยตอนนั้นมันก็ประกาศความเป็นตัวตัวเรา mm hmm. เนี่ยกูเนี่ยโชคชัย mm hmm. นะฮะแสดงตัว mm hmm. แล้วก็พอคุณประสานมีเรื่องเล่าเราก็ไปเล่าไปเมากับเขาด้วยปรากฏว่านึกนึกนกย้อนดูมันไปแสดงตัวตนของเรา mm hmm. นะับแล้วมันก็ ไปหวัดดีคนนี้มันก็เอาของมันเรื่อยๆจนมืดจนค่ำจนดึกจนสี่ทุ่มคราวนี้มันมันชัดๆเจนอืชัดเจนค่ะที่มันเกิดความรู้สึกลึกลงไปในใจมันอายอหลวงพ่อมันอายอายแบบเรียกว่าออายยังไงไม่รู้อายทั้งตัวเองอายทั้งคนอื่นที่เขาจะรู้ว่าเรามันมันเหมือนกับยกหูชูหางตัวเองตลอดตลอดแล้วก็พออายแล้วมันมันมันก็ท้อแท้ อถ้า hmm. แท้ว่ามันกลัวเพราะมันมีเยอะ hmm. มันกลัวมันกลัวแล้วก็นล้วครานี้ความทุกข์เราก็ตามมาเราก็มานั่งจิตใจเป็นทุกข์ hmm. จิตใจเป็นทุกข์เราก็ดูจิตใจเป็นทุกข์มันก็มันก็คลายออืมันก็คลายทีนี้เราก็โอเคหลังจากนั้นเราก็ไปนั่งคุยกันต่อก็ลืมสภาวะไปเรื่อยๆแต่ตื่นเช้ามา มันก็เอาแสดงให้เราเห็นตั้งแต่แรกเลยแค่เปิดสวิตไปปุ๊บมีตะกูเปิดไฟให้ให้คนรู้ว่าตื่นแล้วตีสี่ 4, ตื่นแล้วเตืนสายจัง <c oughs> นอนเกือบทีหนึ่งนะครับ oh. นอนแต่เที่ยงคืนสี่สิบสี่สี่บห้านะก็กะว่าคงไม่ได้นอนคงเดี๋ยวมีภาคสองต่อคือพอหลังจากที่ มเมากันต่อเนี่ย<ม>กลับไปนอนคาดว่าคงนอนไม่หลับ<ม>คงถึงเช้าแน่เลย<ม>ครับพอไปกดสวิตไฟปิดสวิตไฟออกมาเดินได้ยินเสียงคนเดินแก๊กตัวตนมันก็โผล่โชว์อีกเหมือนกันว่านี่แหละกู<ม>กหลังเดินนั่นแหละ <c oughs> ให้เขดูอย่างนั้นแหละดีนะ <c oughs> ในความเป็นจริงนะแต่ละคนเนี่ยมันประกาศอัดตาอยู่ตลอดเวลาที่หลวงพ่อ บ, บอกไอ้เหลืองก็เป็นใช่ไม <c oughs> <c oughs> <laughs> ไม่ว่ามันทําอะไรนะมันเป็นหมดแล้วคือส<ม>ัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันกลัวมากเลยว่าตัวเองจะหายไปครับเพราะฉนะนั้นพยายามย้ำเนี่แหละชั้นนี่แหละชั้นชั้นยังอยู่นะฉั้นยังอยู่นะนี่แหละชั้นไม่ว่าจะทําอะไรนะกระทั่งทิ้งขยะเปิดไฟอะไรเนงะี้ยอ่าครับมันเกิดได้หมดเลยมันอยู่ที่สติปัญญาของเรา แต่เดิมมันก็เกิดไม่ใช่ไม่เกิดมันทํำน่าเกลียดไปเยอะแล้วแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้ทันแล้วก็หลวงพ่อสอนผมเป็นปีบอกว่าให้ดูไอ้คำที่ว่าคำคำเนี้ยคําว่าโชคชัยเนี่ยออผมก็ไปดูดูไม่รู้เรื่องเห็นวบวบแยมแยมไม่เข้าใจว่าโหทั้งปียังไงหลวงพอให้กันบ้านปีหนึ่งถึงจะพอเห็นอะไรเห็นแล้วก็กลัวด้วยท้อแท้ว่าสู้ไม่ไหวอย่ากลัวเราไม่ได้สู้ เราแค่รู้ว่าเขามีเราไม่ได้มุ่งเอาชนะนะคุณโชครับถ้าคิดจะเอาชนะกิเลสไม่มีวันชนะกิเลสหรอกไม่มีใครละกิเลสได้นะกิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสมันเกิดมาได้เพราะความไม่รู้ของเรานี่เองนั้นเราก็ฝึกตัวเองไปเรืยรู้ทันรู้ทันรู้ทันนะวันหนึ่งก็ฉลาดขึ้นมากิเลสไม่มีช่องที่จะเกิดแต่เห็นเราดูแล้วมันไม่มีทางสู้ไม่มีทางสู้ถูกแล้วเราไม่ไม่สู้นะ เราจะคอยรู้ทันถ้าคิดสู้กิเลสเมื่อไหร่รจะแพ้เลยคิดหลอกกิเลสเมื่อไหร่รจะถูกกิเลสหลอกเมื่อนั้นเลยคิดสู้กิเลสเมื่อไหร่นะโดนกิเลสน็อกทุกทีเลยเนี่ยกว่าจะเข้าใจตรงนี้นะสู้กันเหนื่อยนะแรมเดือนแรมปีเลยล้มลุกคลุกคลานมานานเลยวันหนึ่งรู้เลยสู้มันไม่ได้หรอกวะแต่ว่ารู้มันลูกเดียว เราเห็นเลยทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยใจมันไปปิ้งเราตรงนี้ก็มันคล้ายๆชนกับมันนะชนโครมโเหมือนมแมลงบินชนกระจกอ่ะออกไม่ได้ชนอยู่นั่นแหละความจริงมันถอยออกมานิดเดียวเปลี่ยนมุมนิดเดียวมันแค่เปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเองมุมมองที่ว่ากูจะต้องเอาชนะเห็นไหมมันก็เซิร์ฟกูอีกแล้วขืนกูไปชนะกิเลสอีกกูใหญ่เต็มโลกเลยแถวนี้ยนะยิ่งไม่มีทางชนะเลยนั้นกิเลสนะสู้กับมันไม่ชนะ ยิ่งสู้มันยิ่งเก่งมากขึ้นมากขึ้นนะกิเลสยิ่งซ่อนแนละ้วตัวใหญ่ขึ้นด้วยเั้นพวกผู้ปฏิบัตินี่แหละเซลล์จัดนะเซลล์จัดเวลาเข้าวัดรู้สึกไหมเข้าวัดออกมานะมองโลกทั้งโลกอย่างเหยียดหยามเลยพวกไม่มีศีลมีธรรมเนี <c> ่ย <oughs> ตัวดีวิเศษนั่งห <c oughs> มาก็ทําเป็นที่หลวงพ่อบอกอนะ้เรื่องมีตัวเรามีตัวกลัวมันแอบสร้างตลอดผมนะผมก็พยายามเทียบกับไอ้เหลืองอยู่เหมือนกันไม่ไม่ อันนั้นเทียบเพื่อจะแก้นะคุณโชคชัยชตั้งหลักให้ดีนะไปเทียบไอ้เหลืองเพื่อจะข่มใจตัวเองจะเป็นการแก้ครับให้ตามรู้เอานะทําไมต้องแก้เพื่อกูจะได้ดีกว่าไอ้เหลืองเพราะฉะนั้นอยู่ที่รู้ทันนะไม่ใช่อยู่ที่ไปไล่แก้มันวลังคนที่มาใหม่ๆไม่รู้จักไอ้เหลืองไอ้เหลืองเป็นหมาดังตัวหนึ่งลงอินเทอร์เนต็ตบ่อยมากเลยเรื่องเรื่องที่สองครับ ก็ชันนี้พออยู่กันจนดึกจนเกือบตีหนึ่งละไปอาบน้ําไปเตรียมจะนอนแต่ก็คิดว่านอนไม่หลับพอดีฟังเรื่องของคุณประสานเสร็จแล้วใจเราก็อนุโมทนาก็คืนนั้นก็เลยคิดว่าเอ อ, เออท่านตายได้อย่างสง่าผ่าเผยอืยวันนี้เราจะลองดูซิว่าจิตเราจะดับนะจิตจอนจะดับมันก็คล้ายกระตายตอนจะนอนจะลองเฝ้าดูดูซิไม่เหมือนกันครับมันไม่เหมือนกัน อันนั้นนะรู้แล้วว่าจะต้องสูญเสียเนี่ยกําลังจะต้องสูญเสียทุกอย่างเลยเสียร่างกายเสียคนที่รู้จักคุ้นเคยเสียทุกสิ่งทุกอย่างไมม่เหือนอันนี้แค่เดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาก็เจอเหมือนเดิมอใจไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนต่างกันมากโอ้เพราะว่าผมเห็นนิมิตแล้วผมผมเองผมก็ฝ่อเลยพอพอพ อ, พอเคลิ้มๆจะหลับปับคราวนี้เห็นภาพอืภาพมันเป็นป่าอืม พอเรามีความรู้แบกก่าอู้เห็นต่าเอาเลยถ้าขื่อหลับตายตอนนี้ก็ไปอยู่ป่าแล้วจิตมันก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมมคราวนี้เห็นภาพเป็นลูข้างในสวยงามมากเป็นลูมีหินเยันสวยๆเป็นเล็กๆน้อยๆมีงูตัวเล็กๆกําลังกินกบกบก็สวยงามงูร่เป็กบหรือจะเป็นงูล่ะอ่าครับตอนนั้นความรู้สึกเนี่ยเราเป็นงูอุ้ย ไอ้ความรู้สึกเราเป็นงูอ้อความรู้สึกเราเป็นงูแล้วพอรู้ตัวว่าเราเป็นงงโหนี่ขนาดใล้ๆกับว่าฝึกฝนจิตใจมาขนาดนี้จิตใจมันเลือกไม่ได้มันจะสร้างภาพ แต่เวลาจะตายเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่ง<อ>ไม่เป็นงูหรอกขอบพระคุมครับน้าหมอท็อปวันนี้คนอยู่วัดเยอะจงังอะมันยังดิ้นไม่เลอะเนี่ยเนี่ยมันรู้สึกไหมท็อปมาแล้ครับมันไม่เห็นหอท็อปมันไม่เห็นมันที่หลวงพ่อบอกว่ามีฟอร์มสามสี่วันนี่มันก็ดูไม่ออกอเห็นแต่ความเป็นมันมีความ น, น, ออนั่นเป็นผลมานละผลจากการวางฟอร์มค่อยๆดูเอายังดูไม่ออกที่หลวงพ่อบอกกนะันว่าหมอท็อไม่เห็นค <c oughs> มันดูไม่ออกอย่างคุณโชคชัยเขาดูออกเ ข, เขาดูมาปีหนึ่ง <c oughs> หลวงพ่อให้กันบ้านเมื่อปีกลายบอกไปดูโชคชัยไปด <c oughs> ูแต่โชคชัยเห็นแต่โชคชัยสเต็กเฮาส์โชคชัยนี้ดูยากนะดูกันเป็นปีไปดูหมอท็อปไป เอาต่อไปเชิญยกมือเอาจอยยกก่อนจอแล้วเบอร์ยี่สิบแปดช่วงนี้จะรู้สึกว่าจิตมันแบบมันมีแต่สติอะค่ะมันเหมือนกับมันนิ่มๆมันเหมือนเยลลี่ที่มันไม่แข็งอะก็เลยว่าถ้าเกิดในพรรานี้จะก็จะทำในรูปแบบสักสิบนาทีมันจะช่วยไหมคะช่วยสิรูปแบบควรทำทุกวันนะแล้วควรทำทุกทุกคนหละยกเว้นพวกที่ติดสมถะ คนในติดสมถะหลวงพ่อก็บอกอย่าเพิ่งไปทําในรูปแบบจริงจังมากเดี๋ยวติดนานให้เลิกเลิกไปก่อนแต่เมื่อเลิกแล้วเรารู้จักว่าจิตที่เพ่งเป็นยังไงแล้วครั้ น, นี้ก็ทําสมถะได้อย่าไปเพ่งมันเก็แล้วกันอะของจอยจิตมันไม่มีแรงจิต ม, <ช>มันไม่มีแรงรก็เป็นอย่างนั้นแหละป้อแป้ป้าแปะไปค่ะแล้วก็ที่พี่ชกชัยบอกเรื่องอัตตาจะก็เห็นเยอะแล้วมันก็แบบว่ามันละเอียดด้วยค่ะอื ม, มันแบบนั่นแหละดีเห็นไหมลูกศิษย์วันเนี้ยกิเลสเทียบเลยะดี เดี๋ยวเมื่อกี้เบอร์ยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วไปแปดสิบแปดนรมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจะมาเรียนขอกราบขอวิหารธรรมไปปฏิบตัติเพราะว่าปฏิบัติอะไรพอสักพักนึงมันก็จะเพ่งจนแข็งไปหมดเลยเจ้าค่ะไปหางานทำไปงานที่ใช้ร่างกายเคลื่อนไหวนะใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวแต่อย่าไปจ้องมันนะเห็นร่างกายมันทํางานไรื่อยเรื่อย ใช้กรรมฐานที่เคลื่อนไหวดีกว่ากรรมฐานที่อยู่นิ่งถ้ากรรมฐานนิ่งๆ น, น้ำเพ่งง่ายอย่างตอนเนี้รู้สึกไหมใจมันไหลดูออกไหมใจมันไหลไหลไหลเนีย่ยไหลไปแบบเนี้ยให้รู้ทันอย่าอย่าให้มันไหลแล้วก็อ่อนลงไปองเนี้ยนะสู้ไว้สู้ไว้เคาไหน่อยอะอย่งเนี้ย น, นะกระดูกระดิกไว้เคลื่อนไหวไว้จับอารมณ์ที่ยหยับหยับไว้ไปใช้อารมณ์กรรมฐานที่ยหยับหยับไว้ อย่าน้อมไปหาอารมณ์ที่ละเอียดถ้าน้อมไปหาอารมณ์ละเอียดแล้วจะซึมไปอารมณ์ที่หยาบเช่นรู้ร่างกายรู้เวทนาหรืออะไรเงี้ยของหยาบหน่อยนะอย่าพยายามมารู้ไปเห็นไหมความทุกข์เกิดขึ้นในกายเราตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวเกิดตรงโน้นเดี๋ยวเกิดตรงนี้เนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยความทุกข์มันวิ่งไปวิ่งมาเราจะไม่ไปแช่อยู่ที่เดียวแล้วแช่แล้วซึมไปเพราะความทุกข์มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะในร่างกายเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยหนีไปอีกแล้วรู้สึกไหมค่ะเ <c oughs> นี่ยพยักหน้ารู้สึกไหม รู้สึกอย่างนี้รู้สึกไหมจิตขณะนี้กับเมื่อกี้เริ่มไม่เหมือนกันล้เห็นไหมพอเรารู้สภาวะโลงปัจจุบันนะจิตที่เริ่มมีกําลังให้ามาเริ่มตื่นขึ้นมาแต่ถ้าไปอย่างนี้ย่นียิ่งหมดแรงไปเรื่อยๆเนี่ยใจไหลแวบแบรู้สึกไหมมันเริ่มขยับอย่าไปปล่อยให้มันนิ่งนะคอรู้สึกคอปลุกตัวเองให้มันคึกคักไว้รู้กายรู้ใจรู้เวทนารู้อะไรอย่างนี้ไปอาเบอร์แปด้า45ต่อไปอ้าวสด้วย นมาส ก, การหลวงพ่อครับออตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับ ท, ท, ทีนี้ก็ตอนนี้เริ่มหลงแล้วครับ mm hmm. เริ่มกำลังจะปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะคิดว่าจะพูดอะไรดี mm hmm. จะราย ง, งานผลการปฏิบัติครับคือมาครั้งแรกตอนประมาณช่วงเดือนมกราตอนนี้ก็เริ่มหลงไปคิดอีกแล้วครับ mm hmm. คือหลวงพ่อก็บอกว่าให้ให้ไปฝึกท่ อ, ทองภาวนาท่องพุโทโธอะไร ตอนนั้นท่องเท่าไหร่ก็รู้สึกแน่นๆแต่เมื่อคืนได้คุยกับแม่โยมไก่ครับคือก็ให้ท่องแบบคือท่องแบบพุทโธแบบไม่ต้องสัมผัสกระลมหายใจทีนี้พอตื่นขึ้นมาประมาณสักตีสามห้าสิบพอตื่นปุ๊บ ก, ก็เลยท่องแบบใหม่ดูก็รู้สึกมันตอนนี้มันก็ไม่แน่นแล้วแต่ทีนี้มันแวบไปเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่า เออมันรู้สึกตัวหรื่าแต่แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่แต่มันก็จะกลับมาเองอะไรเงี้ยคือทยากตรงที่เราไหลเห็นมันไหลแวบไปนะเรารู้ทันตอนนั้นใช่ได้แล้วตอนนั้นรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วรู้สึกไม่จิตวันนี้ไม่เหมือนมันก่อนก่อนใช่คือแต่รู้แต่ก็ไม่ไม่ได้แน่นอะไรก็มันก็กลับของมันมาเองอะไรเงี้ยนะครับถ้าไปจงใจดึงมันจะแน่นอ๋อครัเราไม่ได้จงใจมันก็โล่งๆสว่างๆสว่างรู้สึกไหมสบายๆนะแต่อย่าไปเกาะให้สบายนะอย่าไป้าสร้างความสบายขึ้นมาครับ มันเป็นเองถึงจะใช้ได้ถ้าไปสร้างให้โล่งๆให้สบายนี่ใช้ไม่ได้ตอนนี้กำลั ง, งเริ่มระสึกปิติขึ้นมาอยู่ฮะรู้ไปอย่างนั้ น, นเบอร์3าสบอสามหนึ่งอยู่ข้างหลังแล้ว45ห้านะแล้วนู่นเบอร์อะไรก็ไม่รู้สีฟ้าๆนู่นนรวัสกาค่ะหลวงพ่อคือครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านไปอะค่ะให ทำวิหารละรมก็เลยใช้กำหนดลมหายใจเป็นวิหารธรรมอะคะ่ะแต่ก็บางทีก็มันก็ยังห่างๆอยู่อะคะ่ะแล้วก็แต่ว่ารู้ตัวได้ได้บ่อยขึ้นกว่าเดิมนิดนึงค่ะนะแล้วก็เริ่มตื่นแล้วแล้วก็มันมีกิเลสบางอย่างที่ตัวเองคิดว่ามันไม่มีแล้วแต่อยู่ๆมันก็ออกมาออกมาเยอะมากเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะก็ดู ดูมันแล้วก็รู้ว่าใจไม่ชอบที่ให้มันเกิดขึ้นออืดีแล้วรู้ว่าอย่างเป็นกลางไปมันมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบนะรู้ทันดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่ไม่ทราบว่ายังต้องทําอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ทำไม่น้อยกว่านี้นะตอนนี้ทําแรงเลปล่อยปล่อยซะนะตื่นเต้นนี่เลยไปกดมัอนใบแต่ที่ฝึกอยู่ปกติอ่ะใช้ได้ละค่ะขอบคุณค่ะเบอร์สี่สิบห้าเดี๋ยวนะตรงนี้หลวงพ่อเห็นช้ากว่าเขาต้องไปทางน้นก่อน าการนันทสการครับขอความเมตตาหลวงพ่อให้ฉีกหน้ากากด้วยนะครับอะาจะให้ฉีกอีกคนละมือไม้เจ็บหมดแล้วทำไมไม่ฉีกตัวเองก็ฉีกครับฉีกจนเห็นเยอะเลยครับเอ อ, ออย่างวันนี้รู้สึไสกไหมใจเราเบาขึ้น <c oughs> ครับอันนี้มันปร่งโป่งไว้สบายแต่ละคนน<ะ>่ามันชอบวางฟอร์มมันสร้างหน้า ก, ากากขึ้นมามีหน้ากา ก, ากหลายใบนะ ต้หยิบมาใส่เรื่อยๆนะแบกคลังหน้ากากไปจนหนักเลยแต่นี้ฉีกหน้ากากทิ้งไปเรื่อยใจก็โปรขึ้นโปรขึ้นครับก็ภาวนาใช้ได้ละครับก็เห็นอะไรเยอะแยะนะครับที่พีพีเขาส่งไอ้มานะอัตตานิดๆหน่อยๆก็เห็นครับก็เห็นเกิดแล้วเกิดแล้วรู้สึกไหมมันแอบแทรกแวบเข้ามาบ้างนะ้วเขาเห็นเราก็เห็นเหมือนกันด้วยใช่ครับคือคือฟังเทปว่าอู้ ทั้งแผ่นนี่เรเห็นเหมือนเขาหมดเลยครับทำไมมันเยอะไม่รู้อย่างแผ่นยีิบสองเนี่ยอู้คนนี้เราก็เป็นอนี่ก็ใช่เราอไม่ติงไม่ต้องมาวัดก็ได้ฟังดีๆก็ได้เพราะเหมือนกับหลวงพ่อมาสอบให้ต่อหน้าอยู่แล้วทําไมหลวงพ่อรู้เยอะรู้ไหมหลวงพ่อเป็นเยอะกิเลสอะไรที่โยมมาถามนี่นะเคยมีมาแล้วทั้งนั้นะสภาวะน้อยนักนะที่จะไม่เคยเห็นนะครับที่ว่าโยมก็มีแล้วเราไม่มีเนน้อยน้อยนะหลายปีไม่ค่อยได้ยินหรอก ส่วนมากอะไรที่มันเฮงซวยนี่นะมีมาแล้วทั้งนั้นนะที่ไม่ได้เรื่องนะเต็มตัวเลยก็จะกราบรบกลัวว่าที่ที่ติดเพ่งอยู่นิ ด, น, ดนิดเนี่ยก็ดูไม่ออกแต่ก็ช่างมานันดูได้เท่าไหร่แค่นั้นก็จะถามหลวเพราะว่ามันยังมีบ้างไหมครับในชีวิตประจําวันดูไม่ออต้องแนละับเวลามันเพ่งมันจะแข็งแข็งขึ้นมานิดนึงใจจะแข็งแข็งหนักหนักขึ้นนิดหนึง่งก็แค่รู้เนี่ยจะเริ่มลำพันแล้วรู้สึกไหม นิดเดียวเออนาะเมืเ่อกี้ใจจะไหลไปรำพันเราก็รู้ทันมันแต่มันบางมากนิดเดียวเอหัดรู้ไปเลยนะแล้วแล้วจะต้องหมายถึงว่ามีการบ้านไหมครับไม่ น, นมแหละไปทำอีกทําอย่างนี้แหละทําอย่างนี้นะครับเอาไปส่งไปข้างหลังโน้นสีฟ้ายกไสีฟ้าดูโ น, น่นโน่นคนโน่ค น, นคนนำผลรู้สึกไหมจิตใสจสีมันใ ส, า ย, สายแล้วใกล้หลับแล้วลืมตาไว้ลืมตา คนเนี่ยนะหลวงพ่อจะบอกให้พออายุใกล้ๆห้าสิบขึ้นไปเนี่ยภาวนาพยายามลืมตาไว้เพราะมีเวลาดูโลกอีกไม่นานยามลืมตาไว้รู้สึกรู้สึกนะแต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปแล้วน้อมกำนับพระธรรมอ้าว่าไปนม ก, นกราบน้ำมัสการหลวงพ่อครับไม่ไม่ได้มาส่งกันบ้านนานแล้วครับ ก็จะขอย่านมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครับอระหว่างนี้ก็ภาวนาไปเรื่อยๆครับก็เหมือนกับเห็นๆตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบัางครับหลวงพ่อถูกแล้วละนะใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆดีเนี่ยสงสัยแล้วดีก็สงสัยในะม่รู้ทันอย่างนั้นแหละเห็นไหมสภาวะมันจะเกิดตลอดเวลานะจิตนี่ไม่เคยว่างจากอารมณ์ ที่บอกว่าจิตว่างจิตว่างไม่มีหรอกจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์เลยถนะึงจิตไปรู้นิพพานก็ไม่ได้เรียกว่าว่างน ะ, ะนั้นจิตมันทํางานตลอดมีหน้าที่รู้จิตไปแล้วรู้สึกไหมอาดดูไปไงนะั้นแหละจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เองเรารู้กายรู้ใจนะไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นเลยไม่ใช่เพื่อเอาดีเอาวิเศษเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันได้เอง ทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมนะรู้สึกไปเรื่อยเมื่อกี้ทางไม่ใช่คนนี้นะเมื่อกี้อยู่ตรงกลางเออคนนี้อันนี้เอาผู้หญิงนั่นทานทางผ่านเอาซะก่อนเดี๋ยวมันยากมากเลยกว่าอยาวนกลับไปกราบด้วมาสการหลวงพ่อนะคะเเดือนที่แล้วมาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าให้ดูกิเลสไว้เยอะๆนะคะ<ม>แล้วที่ผ่านมาก็ฝึกปฏิบัติมไม่ได้แบบตามรูปแบบอนะคะคือใช้เหมือนชีวิตประจําวัน<ม>ไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบหลงไปแล้วก็ กลับลงเข้าไปเป็นวันๆเลยค่ะแล้วก็กลับนานไปหน่อยนะวแล้วก็เลยกลับเข้ามาทํารูปแบบนะคะแล้วก็เกิดสติเออค่ะแล้วก็รูปแบบทิ้งไม่ได้หรอกนะค่ะแล้วก็เอรู้สึกว่าตัวเองใช้สติในการแก้ปัญหาได้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกที่ผ่านมามันทําให้เราทุกน้อยลงแล้วถึงกับเออบางครั้งก็ไม่เป็นทุกข์กับมันแล้วเี้ยค่ะก็เลยจะมาส่งการบ้านหลวงพ่อว่าใช่ได้แล้วน่ใจมันค่อยโปร่งโล่งเบาขึ้นนะค่ะ ภาวนาแล้วจิตเราก็โปร่งๆขึ้นสบาย <Okay. S 1> อ่มาตรงนี้ยกไว้เสื้อเหลืองยกไว้หน้าอย่าเอาลงเหลือแว บ, บเดียวมันบิดไปสามสี่สิบองศาเลยเรียนสอบถามครับว่านิมิตกับฝันต่างกันยังไงครับก็พวกเดียวกันแหละนิมิตมันมีทั้งของจริงของปลอมนะอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ย เวลาเราทำสมผัสเรารู้ลมหายใจลมหายใจนะัก็เป็นตัวนิมิตเป็นเครื่องหมายให้เรารู้สึกนะเราดูท้องพองยุบตัวท้องพองยุบนั่นแหละก็เป็นนิมิตนะนี่ก็เป็นนิมิตชนิดหนึ่งละนิมิตมีหลายแบบนะอันนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตนะพอมันเป็นอุคขาหานิมิตมันก็เริ่มแปลสภาพนะเป็นแสงสว่างขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมานะถ้าจิตสายออกไปก็รู้โน้นรู้นี่ออกไปที่ส่วนใหญ่เรียกว่านิมิตอนะันนะั้นะคล้ายๆฝันเนาะ แล้นิมิตอีกการหนึ่งเป็นนิมิตซึ่งจิตมันชํานิชํานาญในเรื่องสมถะนะมันคุมได้อย่างพอเรารู้ลมหายใจนะทีแรกลมหายใจเป็นนิมิตต่อมาลมหายใจเรารู้ไปเรื่อยอย่างสบายๆนะลมหายใจกลายเป็นแสงสว่างแสงสว่างเห็นเป็นเกลียวเลยนะหายใจเนี่ยเหมือนเป็นเส้นสว่างวิ่งขึ้นวิ่งลงได้อันนี้เรียกว่าอุคหานิมิตเสร็จแล้วมันจะรวมตัวขึ้นเป็นดวงนะเรียกว่าปฏิภาคนิมิตย่อดได้ขยายได้กําหนดได้ จิตก็มีปีติขึ้นมาส่วนในที่เราเห็นโน้นเห็นนี่อะไรนะจริงๆเรียกนิมิตให้มันโก้ไปอย่างนั้นแหละจริงๆคือฟุ้งซ่านเราไปเรียกให้มันเพลาะเพลาะเหมือนอย่างเวลานั่งสมาธิแล้วขาดสติเราไปเรียกว่าตกผวังความจริงผวังไม่ได้ทุเล็อย่างนั้นหรอย่างนั้นเปนขาดสติจริงๆแล้วผวังเนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างวิถีของจิตแต่และ ว, วิถีจิตมาขึ้นรับอารมณ์ครั้งหนึ่งนะเรียกว่าขึ้นวิถีทีหนึ่ง ขึ้นรับอารมณ์จริงอย่างเ ช, นช่นตามองเห็นแล้วก็ใจมันก็คิดสาวสวยแล้วราค่าเกิดเลยเนียเสร็จแล้วมันจะดับลงไปแว บ, บหนึ่งมันจะเล ER ิบเลอ ER ไปเนละิบเลอ ER ER แล้วหายไปแว บ, บหนึ่งเดี๋ยวไม่จะขึ้นรับอารมณ์ทางตาทางหูจมูกลิ้นทางกายทางใจนี่มันขึ้นใหม่อาจจะไปขึ้นที่อื่นก็ได้อาจจะขึ้นทางหูแทนก็ได้ดนะังนั้นตรงที่รอยขั้นระหว่างจิตที่ขึ้นวิีแต่ละคราวแต่ละครามันมีผวังขั้นอยู่มีผวังขั้นอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราไปเรียกผวังภวังเราพู้เราเองอนะ่ะ มันระวังเนะ่ยเกิดทั้งวันโดยที่เราไม่ได้นั่งสมาธินี่นก็เกิดอยู่นะรู้สึกไหมบางทีเรารู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วก็แบลงแกล้งไปหายหายไปแว บ, บหนึ่งเดี๋ยวรู้สึกอีกตัวที่แบล้งแกล้งไปหายหายไปัแหละจิตมันลงระวังนะมันขึ้นอย่างนั้นแหละนี่บางทีภาษาที่เราใช้นะมันก็จะเบี่ยงเบนออกไปบอกตกระวังตกระวังความจริงขาดสติหายไปนานเลยหรือบอกว่ามีนิมิตเห็นน้อนเห็นนี่นะจริงๆใจมันฟุ้งไป บาทีก็เห็นจริงๆนะอย่างสวยเห็นเทวดามาถามว่าเรียกว่านิมิตได้ไหมก็ได้สิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องหมายให้จิตไปรู้เข้ า, าเรียกนิมิตได้ทั้งนั้นนะแต่ไม่มีนัยยะอะไรเพราะฉั้นเมื่อจิตไปรู้อารมณ์ใดๆแล้วนะจิตเกิดกุศลให้รู้ทันจิตเกิดอกุศลให้รู้ทันตัวนี้สําคัญกว่านะสําคัญกว่านิมิตแต่หมายไม่มีความสําคัญอะไรเป็นแค่เครื่องยั่วให้เกิดกิเลสเท่านั้นพอกิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากนิมิตได้ละะ งั้นถึงจะนิมิตจริงนิมิตปลอมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับความพ้นทุกข์อย่างบางคนเห็นอ น, นาคตนะรู้อนาคตเลยว่าโอ้จะตายวันนั้นวันนี้นะรู้แล้วห่อเหี่ยวไปเลยนะอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องรู้อะไรนะรู้ปัจจุบันรู้กายรู้ใจนะเห็นกิเลสวิเศษที่สุดเลยนะในทางพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้พวกเราไว้เราลูกหลานพระพุทธเจ้านะเดินตามท่านส่วนนิมิตที่เกิดจากสมาธิมีมั่นนับไม่ถ้วน มีทุกรูปแบบที่หลวงพ่อเล่าตะเี้ยวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางยังมีหมดเลยอ่าไปคนน้นคนน้นเขายกก่อนนะอยู่ข้างเสานอนนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้คนนั่งเก้าอีนะ้นั้นเอาคุณจะส่งก็เอาเขาก่อนเลยเอา้เอาขอบคุณนากการนันท์สการ์หลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกครับก็อยากจะขอเรียนถามสองข้อครับคือเวลานั่งปฏิบัติหรือเดินจงกรมเนี่ยครับบางครั้ง มันก็ตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่รู้อยู่หรือกดอยู่หรือหลงไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทราบได้เหมือนกันครับเนยถ้าสงสัยเรารู้โรงปัจจุบันรู้ว่ากําลังสงสัยนะถ้ามันไปกดอยู่มันจะแน่นแนะ่นขึ้นมาถ้ารู้อยู่ในะใจจะโปร่งโล่งเบาถ้าเบาเบาแต่ไม่รู้อะไรนั่นก็หลงไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าถ้ารู้แล้วไม่รู้ว่ารู้อะไรอันนั้นรู้นะมันประณีตมากเลยแต่ละอันแต่ละอนต้องค่อยๆสังเกตเอานะครับ แล้วก็รู้สึกแปลกๆเวลาอย่างสมมติเวลาจะมีสติในชีวิตประจําวันนะครับกับรู้สึกรู้สึกเห็นชัดกว่าเวลานั่งปฏิบัติหรือเดินจงกรมเองไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับถ้าเห็นชัดแบบคมกริบเลยนะแล้วเราสติมากเกินไปแรงไปสติแรงไปนะเช่นหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะเนี่ยถ้าทําขึ้นมาอย่างนี้ยอย่างที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะรู้ชัดเกินจริงชัดเกินไปไม่ดีนะ ต้องคลายกว่านั้นคลายออกแลงนี้จะคลายออกอะไรครับอย่าไปจงใจทํามันขึ้นมาอนี้เราไปเร้าความรู้สึกตัวแรงเกินไปพอแรงเกินไปใจจะแข็งแข็งนิ่งๆไปนะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูหรอกนะนั้นต้องรู้อย่างสบายๆผ่อนคลายวันนี้ลดความจงใจที่จะไปเออเออเมื่อกี้หลุดออกมาทีนึ่งละครับนะตรงที่ไม่ได้จงใจนัแหละมันก็หลเนี้ยกลับมาประคองไว้ที่เดิมแล้รู้สึกไหม รตรงนี้ไม่เอานะเอาอีกข้อนึงว่าอะไร อ, อ๋อถามไปเมื่อครู่นี้นะครับออถามแล้วนะเอาไปคน น, นคู้นคนสาวนู้นใคร่กว่านี้นะนหนุ่มเนี้ยมันเร่าสติแรงไปอย่างเงี้ยแรงไปบางทีแรงมากเนี่เหนื่อย น, นะเลยกราบนระรมศารหลวงพ่อครับเอกระผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกขออนุ ญ, ญาตเรียนถามข้อสงสัยอยู่สองประการนะครับเอข้อที่หนึ่งก็คือเคยฟังเทป จากหลวงพ่อท่านหนึ่งซึ่งท่านละสังขารไปแล้วท่านสอนว่าการที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะครับจะต้องอฝึกสมถะภาวนาจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิเหตุผลก็คือว่าจิตจะได้มีพลัง อ, อันที่หนึ่งอันที่สองคือจิตจะได้ไม่มีนิวรณ์อันที่สามคือจิตจะได้เป็นจิตดั่งจิตเดิ ม, มนะหลังจากที่ลงจากอัปปนามาถึงอุปจาระนั้น จึงจะเป็นจิตที่เหมาะแก่การงานที่จะนํามาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานถ้ามิฉะนั้นแล้วแค่คณิกะสมาธิเนี่ยตัวจิตเนี่ยจะไม่มีพลัง เ, เพียงพอที่จะปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานจะไม่สามารถจะบรรลุได้นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือในขณะปฏิบัตินะครับหลวงพ่อมีทริคหรือว่ามี ข้อแนะนําอย่างไรที่จะไม่ให้อันที่หนึ่งคือจิตหลงเคลิมไปกับอย่างที่2คือไม่ให้จิตไปเพ่งอยู่ที่การปฏิบัติให้แค่จิตตามรู้แค่นั้นคือมีทริคอย่างไงมีข้อทาอย่างไรดี<ง>ครับหลงเพ่งนะมันเกิดจากกิเลสมันอยากดูให้ชัดเคลิมเคลิมไปโมหะมันแทกถ้าไม่อยากเคลิมก็เคลื่อนไหวไหมทำกรรมาฐานที่เคลื่อนไหวไปนะส่วนข้อหนึ่งที่ท่านสอนอนั้นก็ถูกเหมือนกันนะแต่ถูกครึ่งหนึ่ง พระอนนท์นนะท่านเคยสอนมาอยู่ในพระใจปิดกท่านบอกว่าการทํากรรมฐานเนี่ยมีหลายแบบแบบหนึ่งใช้สมถะนําหน้าใช้สมาธินําแล้วก็ปัญญาตามแบบที่2นะใช้ปัญญานําสมาธิเกิดตามแบบที่สทําสมถากวิปัสสนาไปด้วยกันมีหลายแบบนะที่โยมพูดมาเล่ามานั้นเป็นแบบอย่างที่1ใช้สมาธินําปัญญา สมาธ่นําปัญญาเนี่ยในพระใจปิฎกสอนไว้บอกว่าก่อนที่เราจะเลือกเส้นทางเราอย่าเลือกตามยถากรรมนะเราอย่าเลือกเพราะฟลุกอย่าเลือกเพราะเชื่ออาจารย์อย่าเลือกเพราะว่าอาจารย์เราทําอย่างนี้เราจะต้องทําตามเราจะต้องดูจริตนิสัยของตัวเราเองนะจริตในการที่จะทําวิปัสสนาเนี่ยมีสองจริตเขาเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตไม่ใช่ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตนะั้นอันนั้นเป็นจริตสําหรับทําสมถะ จริตสำหรับทำมิปัสสนามีแค่ตัณหาจริตกับทิฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยพวกรักสุกรักสบายรักสวยรักงามอะไรอย่างนี้นะรักความสงบกระทั่งพวกรักสงบด้วยนะส่วนพวกทิฏฐิจริตคือพวกช่างคิดช่างวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นะคิดนึกไปทั้งวันคน2กลุ่มนี้ต้องทํากรรมฐานที่แตกต่างกันพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบเนี่ยพวกนี้เหมาะที่จะรู้กาย ต้องดูกายหรือเวทนาเพราะกายและเวทนาเนี่ยมันสอนให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายนี่มีเงื่อนไขคนที่จะดูกายและเวทนาได้ดีต้องทำสมาธิก่อนถ้าไม่ทำสมาธิก่อนจะดูได้ไม่ดีดูได้ไม่ชัดอย่างที่คุณป้าตะเกียรถูกเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นต้องทำความสงบมาก่อนคนซึ่งทาความสงบได้ง่ายนะคือพวกที่รักสงบอยู่แล้ว อย่างครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านชาวไร่ชาวนานะท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรฟุ้งเฟอ้อในชีวิตไม่ได้มีอะไรต้องฟุ้งซ่านในชีวิตด้วยพวกเรามีแต่ฟุ้งซ่านรู้สึกไหมของท่านชีวิตเรียบเรียบง่ายๆทุกวันตื่นเช้ามานะพาควายไปไถนาอะไรเงี้ยถึงเวลาให้ควายพักนะนั่งกินข้าวใต้ต้นไม้เย็นเอาควายไปอาบน้ําเข้าคอกสมกันในชีวิตวนวนไม่มีอะไรซับซ้อนท่านเหล่านี้ทําความสงบง่าย ชีวิตท่านไม่ได้ไมได้มีอะไรที่ซับซ้อนท่านต้องการความเรียบง่ายต้องการความสงบสุขในชีวิตเพราะชีวิตลำบากมากเพั้นท่านเหล่านี้นะให้ทําสมาธินะท่านจะตั้งใจทําขยันทําเพราะว่ามันทำแล้วมีความสุขมีความสงบนั่นคือสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วนี่ครูบาอาจารย์จะสอนตอบอีกอย่าไปมัวติดความสุขความสงบไม่พอไม่เกิดปัญญาให้ออกมาค้นคว้าพิจารณา ก, กายให้คิดพิจารณา ก, กาย การคิดพิจารณากายเป็นสมถกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนานะแต่บางคนเข้าใจผิดว่าวิปัสสนาคิดเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบเฉยอยู่ที่หลวงปู่มั่นสอนบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะคิดค้นคว้าอยู่ในกายนะทําให้จิตมันทํางานถัดจากนั้นหมดเวลาที่จะ ทำความสงบพิจารณกายแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวตลอดเลยนะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปเห็นจิตใจมันทํางานอย่างเนี้ยจิตหนีพิคิดอย่างเงี้ยต้อนงะมีสติรู้ทันอยู่ในชีวิตประจำวันครูบาอาจารย์เดินมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ได้ผลดีนะนี่สําหรับคนซึ่งมีตันหาจริตต้องทําความสงบก่อนแล้วมารู้กายพิจารณกายนะแล้วก็มาเจริญสติในชีวิตประจําวันพวกคนเมืองพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากเนี่ย ให้ทำอัปปนาสมาธินะชาติเดียวไม่พอทำหรอกนะเพราะว่าชาตินี้มีแต่วุ่นวายฟุง้งนซะ่านพวกนี้ถ้ารอให้ได้อัปปนาแล้วจะถึงขึ้นมิปัสสนานะชาตินี้ไม่ได้ทำแน่นอนนะพวกเราในห้องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ถึงอัปปนาหรอกนะกระทั่งภาวนาเก่งๆนะอีกนานๆก็ไม่ถึงหรอกส่วนมากจะฟุง้งซ่านคิดทั้งวันพวกที่คิดทั้งวันเนี่ยไม่เหมาะที่จะทากรรมฐานที่จะเอาสมาธินา วกนี้ต้องใช้ปัญญานำเพราะพวกนี้คิดมากวิตรีเอาปัญญานำนะั่คือมีสติรู้กายรู้ใจเข้าไปเลยแล้วสมาธิมันจะเกิดตามหลังมาอานะจนมหาบัวก็เคยสอนนะเรื่องปัญญานำสมาธิเนี่ยนะไม่ใช่มีแต่สมาธินำปัญญาในะมีอีกชนิดหนึ่งที่พระอานุนพูดไปคือใช้สมาธิกับปัญญาควบกันนะอันนี้สําหรับคนซึ่งทรงฌานชำนิชนานาญแล้วนะทำสมาธิอยู่แล้วก็ดูสภาวะของจิตในขณะที่ทรงสมาธินะั้นแต่เลย มี3มอย่างนะเพราะะนันที่คุณพูดมาก็ถูกนะที่ท่านพูดแล้วไม่อยู่แล้วมรณาภาพแล้วก็ถูกละเป็นหนึ่งในสวิธีที่พระนนท่านบอกไว้อย่างนี้นะส่งมานี่กันเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองนี่ยกมือไว้เขาอกาสให้หลวงพ่อเมตตาตรวจกันบ้านที่เฉยครับหลวงพ่อนะําเมตตาจนเหนื่อยทุกวันเลยจะให้เมตตาขนาดไหนเมตตาตัวเองั้างนะครับเออหลวงพ่อให้กันบ้านแล้วเมตตาตัวเองด้วยการไปทํานะครับ จิตชนานี้เป็นไงบอกมาตื่นเต้นครับเออตื่นเต้นไม่สําคัญอนะมีอะไรอีกกดครับเออตัวนี้สําคัญตื่นเต้นจิตมันตื่นเต้นเองกดเนี้เราไปจงใจกดนะเพราะฉะนั้นเรารู้ทันเนี่ยใจลอยไปแล้วทราบไหมครับเออนั้นระหัสดูดูเป็นแล้วมาถามอะไรมันมันมีสภาวะอยู่ตัวหนึ่งมันจะมารู้ชัดที่มือแต่ว่ามันจะรู้แยกจากจิตเหมือน<ม>เป็นคนละอย่างกันแต่แต่ผมผมไม่สงสัยผมผมรู้มันอย่างเดียวพอไหมครันะ ตรงนั้นนะจิตมันตั้งมั่นเป็นตัวรู้ขึ้นมานะมันแยกออกมาต่างหากมันเห็นเนมืออยู่ส่วนหนึ่งต่างหากอันนั้นมันเกิดตัวจิตผู้รู้ขึ้นครับบางคนก็มีจิตผู้รู้บางคนไม่มีจิตผู้รู้ไม่สําคัญหรอกแต่ถ้ามันมีตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วอย่ารักษามันคแค่รู้ว่ามันมีอยู่รู้สึกไหมมันเป็นอีกคนหนึ่งน <ะ S 2> ัน <ะ S 2> ่นแหละดีฝึกไปเนี่ยแสดงว่าชาติก่อนเคยทําสมาธิมาอ้าเบอร์สิ นมัธสภาหลวงพ่อค่ะคือกลับไปลองสังเกตหาวิหารธรรมที่เหมาะกับตัวเองค่ะคือจะพบว่าเวลาฟังซีดีแล้วเนี่ยเราจะหลงเข้าไปตั้งใจฟังแต่เวลาสังเกตว่ามาอ่านหนังสือแล้วจะรู้สึกว่าอ่านไม่รู้เรื่องหลงหลงไปบ่อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมไม่ทราบว่าจะเอาการอ่านหนังสือเป็นวิหารและธรรมได้ไไดนะ้แต่ต้องดูหนังสือที่อ่านด้วยนะทุกประเพทหนังสื อ, <laughs> อไม่ว่าหนั ง, งสือบางอย่างอ่านแล้วกิเลสเยอะไปนะ เช่นข่นาวการเมืองอะไรเงี้ยอ่านแล้วกิเลสเยอะแล้วก็คต่องระวังถ้งาเราภาวนาที่บางคนสงสัยว่าทาไมหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองถามว่าหลวงพ่อเทคไซส์บ้างไหมฝ่ายไหนฝ่ายไหนหลวงพ่อไม่รู้ว่าฝ่ายไหนมีฝ่ายไหนนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกทาไมไม่ไม่เข้าข้างการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลวงพ่ออยากให้ที่เนี้ยมันเป็นที่ที่ปลอดสึกนิดหนึ่งปลอดจากความขัดแย้งเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่สนใจเนี้ยได้เข้ามาเรียนอย่างสบายใจ ไม่ใช่เข้ามาด้วยความหวาดระแวงนะว่าพักตรงข้ามกับเรามันจะนั่งตรงไหนอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เลยประกาศว่าหลวงพ่อไม่เข้ากับการเมืองนะเนีค่ะแล้วแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเราอ่านไม่รู้เรื่องไปนานๆแล้วคือมันจะเริ่มง่วง่ะคะให้เริ่มไปขยับร่างกายหรือใช่ใช่ไปหางานทําอะหัดกวาดบ้านกวาดเป็นไหมมีไม่มีแม่กวาดไหมมีค่ะไม่มีไปขอปูบาปสองให้อัานหนึ่งขอบพระคุณค่ะ เบอสิบแล้วก็ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิห้ากับนเ ก, การหลวงพ่อครับเคยมาแล้วครับอยากจะถามว่าตอนนี้นี่ปฏิบัติแข็งไปหน่อยครับแข็งไปหนะ้าผมแรงไปดูให้บสบายสบายครับแล้วตอนเช้าเช้านี่คือผมเดินจงกรมไม่เป็นก็ใช้วิธีเดินออกกําลังกับว่ายน้ําแล้วจะได้ไดสบาว่ายน้ําก็ได้นะว่ายน้ําแล้วก็เห็นร่างกายเป็นว่ายไปเราเป็นคนดูใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูเห็นร่างกายเป็นว่ายน้ําไปเรื่อยๆ อย่างนั้นก็ใช้ได้ต้องต้องเพิ่มมาเลยไหมครับไม่นะแต่ต้องลดความจงใจลงอย่าอยากถึงขนาดว่าจะดูให้ไม่คลาดสายตาเลยรู้บ้างเผลอบ้างคุณผู้หญิงเนี่ยใช้ได้นะข้างหน้าลืมชื่อไปกส่งไปข้างหลังเบอร์125อยิบหชื่อไหนหน้าลืมแล้วใช่ใช่อะไรนะเอานภาวนาดีแล้วนะนรัตการครับอยากจะถามเรื่องวิธีเร่ง เร่งตัวเองเหมือนเร่งให้มีความถี่ในการรับรู้เผอ ร, รับรู้อะไรเพิ่มขึ้นนะครอยากอยากจะให้สติเกิดบ่อยใช่ครับสติเกิดจากอะไรเราก็ต้องไปทําเหตุของสติสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือจิตจําสภาวะได้แม่นงั้นหัดดูสภาวะไปเรื่อยอย่าไปกังวลว่าเมื่อไหร่สติจะเกิดนะแต่สภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกสภาวะอะไรเกิดในจิตคอยรู้สึกเนี่ยอย่างขนาดนี้รู้สึกไหมไวไปสังเกตมัน ใจไหลไปเนี่ยหัดรู้สึกสภาวะไปแล้วสติจะเกิดเองแรกแรกไม่ค่อยเกิดหรอกผู้หญิงทางนี้เมื่อกี้นี้เออเบอร์อะไรคนเนี้ยเบอร์สามสามสามอ่ะก็สองอาทิตย์ก่อนรู้สึกว่าจิตมันเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาคือก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่ารู้ตัวแต่ว่ารู้แบบโมมัวตลอดแล้ววันนี้ล่ะวันนี้โมหะแรงมากเลยตอบถูกใช้ได้สึกไหมวันนี้ใจมันเป่าแป้ป่าแปะลงไปนะ มันไม่ค่อยสบายดเลยไม่สบายก็ดูมันไปนะเกิดมันจะตายให้มันตายเลยนะตามดูมันไปแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปหาเครื่องอยู่ค่ะแต่ว่ามันถ้าเอาร้องเพลงเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้ไม่ได้เครื่องอยู่นะควรจะอยู่ในสติปัฏฐานนะหรือเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลร้องเพลงเป็นเครื่องอยู่เนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะรบกวนถึงจุดหนึ่งนะเราไม่ได้คิดจะร้องเพลงนะมันดันร้องเพลง ที่สำคัญนะั้นมันจะร้องอยู่วักเดียวนะแล้วประสาทจะกินตรงนั้นนหะละลาขาดอย่าเอาร้องเพลงเป็นวิหารธรรมเลยงัยนย้นเดี๋ยวต้องไปหามาแต่บางคนหลวงพ่อให้ไปร้องเพลงมี่คือเขาเครียดสติใกล้จะแตกแล้วถามว่าทําอะไรแล้วมีความสุขเขาบอกเขาชอบร้องเพลงหลวงพ่อก็บอกให้ไปร้องเพลงมีนะบางคนให้ร้องเพลงพอผ่อนคลายแล้วถามว่าร้องได้ไหมไม่เอาแล้วต้องมาคอยรู้กายรู้ใจลนะ้ะ เมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วหนะ้าเดี๋ยวก่นเนี่ยยกพร้อมๆกันนะตาฟางไปหมดล้วทาไงดีอะเราเยีเยยนยกพร้อมๆกันแล้วไม่มีใครเอามือลงเลยนะต่อสู้กันเข้มแข็งเอาไปส่งไปข้างหลังเอาตอนนั้นเอาลงได้ละคนนี้เห็นละก็ <c ười> คือมาครั้งที่สามค่ะแต่สองครั้งแรกไม่ได้ส่งกันบ้านนะคะ <c ười> ก็คือหนูรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนที่แบบฟุงซานมากค่ะแล้วบางทีมันมีสิ่งที่คลายสติวุบขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ตามไปด้วยเหมือนกับการเพ่งต่อทันทีโดยอัตโนมัติเหมือนกับไปดึงเชือกไว้จนมันแน่นค่ะแล้วก็เหมือนแบบมันก็คลายไม่ค่อยได้เหมือนอะไรที่เหมือนเกิดความความที่มันนิ่งไปเลยอย่างเช่นสมมติเกิดอารมณ์อะไรอยู่แล้วพอพอรู้ตัวปุ๊บแล้วมันก็กลายเป็นแช่แข็งไปประมาณนั้นนะคะมันเกิด3มอย่างต่อกันนะอันนึงหลงไป ที่สองรู้ว่าหลงอันที่3านเลยไปเพ่งไม่แข็งแข็ง mm hmm. ให้ดูไปแต่ละอันเนี่ยไม่คงที่หรอกเปลี่ยนไปเรื่อยเรยแข็งแข็งนะเพราเราเพลอเดี๋ยวก็หายไปอีก mm hmm. อย่าไปบังคับให้แข็งตลอดเวลานะบางคนคิดว่าถ้าจ้องไว้ไม่ให้พลาดสายตาแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกเครียดตปล่าเปล่า mm hmm. งั้นปล่อยมันไป mm hmm. ดูออกแม่ในใจมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาใชออ่ดูไปอย่างนั้นนะ <c oughs> อย่าไปบังคับให้มันนิ่ง เราถ้าอยงหนูนี่ควรจะเอาจิตเป็นวิหารธรรมควรใช้จิตเป็นวิหารธรรมเราฟุ้งซ่านเยอะนะเราแถมพุโทโธลงไปหน่อยก็ได้ <c oughs> พุโทโธเล่น <c oughs> ๆอ่นะเป็นคนที่ฟุ้งซ่านแรงคุณเสื้อสีส้มๆนั่นผู้ชายข้างหลังนะก็ยก <c oughs> กันให้เข้าไปกกันแล้วก็คุณผู้หญิงที่อยู่ทางนี้อสองคนนะเดี๋ยวทวงศิล น, นะเดี๋ยวหลวงป้าก็ลืมนะเอาลงได้ละนะคุณผู้ชายยกไว ใครจะถามกันบ้านหลวงพ่อนะเชา้ชาๆก็า อ, อาบน้ํามาก่อนกราบน้ัพระสกัดหลวงพ่ออ้าวขอรบกวนหลวงพ่อช่วยชีย้แนะข้อบอกพร่องด้วยครับอย่าไปอย่าทาให้มันซึมๆนะอย่าไปกดมันกดแรงไปนิดนึงดูออกไหมตอนนี้ยังไม่ออกคนระับรู้สึกไหมเรานิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าครับตื่นเต้นไงแล้วไปกดไหมไม่ให้ตื่นเต้นครับ จิตขนาดนี้กับจิตตอนที่ไม่เจอหลวงพ่อไม่เหมือนกันดูออกไหมครับผมเออนอั่นแหละหัดดูอย่างเนี้ยถ้าดูกเป็นก็ใช้ได้แล้วครับ <นะ S 2> แล้วปกติคือผมการทําสมาธิไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเวลามันชอบหลับอะครับ เ, รเดินจงกรมก็หลับเหรอหลับครับเหลวงพ่อเคยเจอนะมีเพื่อนกันตอนนั้นบวชเป็นนักศึกษาบวชวัดชนประธานนะเช้ามืดก็ไปนั่งสมาธิที่ศาลาข้างหลังวันหนึ่งนั่ยุงเข้ามันเต็มนะ ทีแท้เพื่อนเดินจงกลมในศาลาแล้วทะลุออกไปนอกศาลาถ้ามันหลับนะาคุณหากรรมฐานที่ที่ที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะั้นทำงานอะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวไปสักผ้าไปกวาดบ้านลดต้นไม้มีหมาก็จับไปอาบน้ําอะไรเงี้ยหาภาษะมากระตุ้นมันหน่อยถ้าภาษามันซ้ํำซากอ่อนไปอะไรเงี้ยมันก็เคลิมง่ายถ้าคุณผู้หญิงทางโ น, น้นนะแล้วเดี๋ยวใครมาอทางนี้เห็นละ กรรมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพักนี้เหมือนคนภาวนาไม่เป็นเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูไปความเป็นกลางของจิตแล้วก็จิตไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่แล้วจิตขณะนี้เป็นยังไงมันตื่นเต้นแล้วก็ฟุงฟ้งๆเจ้าค่ะมีตัวหนึ่งทื่อๆอยู่รู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยค่ะตัวปัญหาไม่เป็นปัญหาหรอกมันเป็นปัญหาเพราะเราไปเกลียดมันเข้า ถ้า<ช>มันมีอยู่เราก็รู้ว่ามีอยู่ไม่ชอบมันรู้ว่าไม่ชอบมั น, นตัวนี้เกิดจากความจงใจจะปฏิบัติไปประคับประคองอยากรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยพยายามประคองเอาไว้ต้องใจถึงถึงกล้าปล่อยกล้าหลงบ้างนะถือศีลห้าไว้แล้วก็ปล่อยให้มันหลงไปบ้างหลงแล้วก็คอยรู้สึกเอาดีกลับกลัวจะหลงจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตามันจะนิ่งๆิ่งทืง่อๆไปทำวิปัสสนานไม่ได้จริง เห็นไหมตัวที่นิ่งนั้นอะเมื่อกี้นี่ก็อ่อนไปรู้สึกไหมเห็นเจ้าค่ ะ, ะเมื่อกี้มันไหวๆขึ้นมามันไหวขึ้นมาเราก็รู้ทันมันเนี่ยมันฟู้งซ่านไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ ะ, ะเพะอะไรเพราะเราไม่ได้เพ่งเอาไว้นี่ปล่อยๆเป็นอย่างเนี้ยหลงซะบ้างหัดหลงบ้างนะหัดรู้มานานแล้วก็หัดหลงบ้างเดี๋ยวมันจะหลงไปไกลหรือเปล่าเจ้าค่ะอย่าให้ไกลสิเราให้หลงนิดๆหน่อยๆ พอพอไม่มให้มันติดนิ่งท่านนะให้มันไหวไหวบ้างอย่าไปเพ่งให้มันนิ่งเนี่ยตอนนี้มันไหวแล้วรู้สึกไหมรู้สึกจ้งค่ะเพราะอะไรดูออกไหมจิตเราไม่ได้ไปตั้งแช่ไว้ที่จุดจุดหนึ่งรู้สึกไหมตอน ท, ที่มันไปนิ่งเราอัดเข้าไปอยู่ข้างในนี้อย่าไปอัดเข้าไปข้างในนี้เนี่ยเนี่ยเริ่มอัดอย่างเนี้ยจำทางตรงนี้นะตรงนี้ไม่ทามันอัดเข้าไปแบบนี้แหละเออปล่อยออกมาอย่างนี้นะ ไป แ, แล้วอยู่ตรงนี้มันจะเห็นมันเคลื่อนไหวได้ก็เป็นม้วนเข้าไปข้างในนะเหมือนมานาม้วนหางนะม้วนเข้าไปข้างในเงี้ยทือท่อๆใช้ไม่ได้อะเมื่อกี้ทางนี้ใครเออันนี้ยกมืออาเชิญได้เห็น2คนละสมคนวันนี้ไม่ได้ยกมือคนนี้ยกป้าย อ, อ่าการนันทสการหลวงพ่อครับอยากจะขอกันบ้านนะครับขณะนี้จิตเป็นไงเออ ก็คือปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเห็นกิเลสเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นเห็นกิเลสเกิดแล้วก็ดับขนาดนี้ล่ะขณะนี้เป็นยังไงขณะนี้เฉยๆครับเฉยเกินไปรู้สึกไหมนิ่งกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะเนื่อเราไปกดเอาไว้ให้รู้ทันว่ากดอยู่เราจะไม่ปรุงแต่งจิตเราจะดูจิตที่ปรุงแต่งนะแต่เราไม่ปรุงแต่งจิตจิตเขาปรุงแต่งของเขาตลอดเวลา เราจะตามดูเฉยๆเราไม่แต่งให้มันนิ่งหรอกเนีย่ยตอนนี้จิตไปคิดรู้สึกไหมครับแต่ตัวนึงก็ยังกระครองไม่เลิกดูออกไหมไปรักษาไว้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องรักษา<ช>ไม่ต้องรักษาอย่ารักษานะเราไม่มีหน้าที่รักษาจิตนะสติตั้งหากจะเป็นคนรักษาจิตเองเราไม่มีหน้าที่รักษาจิตเรา ม, มีหน้าที่จเจริญสติไปเรื่อยคอรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไป ทันทีที่เรารู้สึกสติเกิดเนี่ยอกุศลดับทันทีกุศลเจริญขึ้นทันทีนั่นแหลสติมันทําให้จิตหมดความเป็นอกุศลเกิดกุศลขึ้ น, นมาสติเป็นคนรักษาจิตเราไม่ต้องรักษาตอนนี้คุณพยายามรักษาจิตมากไปทําผิดหน้าที่นะหน้าที่เราแค่รู้เจริญสติไปแล้วสติเขารักษาจิตเองเมื่อกี้ให้ไขไว้เมื่อกี้เมื่อกี้ตกลบเออคนนี้เชิญการตํางสังารครับเออ ม, มีคําถาม หนึ่งคถามการประคองจิตกับการวางจิตต่างกันยังไงครับอย่าไปวางมันนะอย่าไปประคองมันนะแค่รู้จิตใจเราไปขยับไปเยื่นเคลื่อนไหวยังไงเราคอยรู้ได้ได้นะไม่ต้องไปประคองเอาไว้นะเราก็ไม่ต้องคิดว่าจะเอาไปวางไว้ที่ไหนนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไหลไปทางตารู้ว่าไหลไปทางตาเดี๋ยวไม่เข้าที่ของมันเองคือเคยลองเอาจิตไปวาง แลมันโล่งสบายดีนะั่นเป็นสมถะนะอย่างเราวางไว้ที่ท้องที่จมูกที่อกอะไรเงี้ยหรือวางไว้ข้างหน้าเรานะในความว่างๆอะไรเงี้ยเอาจิตไปแอะเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งว่างๆสบายเป็นสมถะนะถ้าเราทำนี้ปรัศนาเราอย่าทำอย่างนั้นขอบพระคุณครับเมื่อกี้ใครยกมือนะเออยี่สิแล้วมาสิบสองนะวันนี้ก่อนที่จะยกมือถามเนี่ยมันจะหนักตลอดเลยพ่อค่ะ แล้วก็พอเริ่มยกมือจิตมันก็เปลี่ยนค่ะจะมีโอกาสามาภาวนาแถวนี้สองสมวันค่ะขอการบ้านหลวงพ่อทําให้สบายนะอย่าเครียดน ะ, ะต้องสบายๆของคุณจะเครียดง่ายไปนิด น, นึ่งทำตัวสบายๆไม่รีบร้อนปฏิบัติกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยดูเล่นๆไปก็จะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาผ่านไปอย่าไปประคองไว้นะอย่าไปกดไปให้ของคุณตอนนี้ยเริ่มไปประคองไว้แล้วรู้สึกไหม ไปรวบเข้ามาไปอัดมันเข้ามาเพราะอัดเข้ามามัจะแน่นๆนะไม่มีความสุขอย่าไปอัดมันปล่อยให้สบายเผลอเล อ, เปลอไปเผลอให้ดูหน่อยเอาหัวล้อทีหนึ่งก่อนเนี่ยจิตขนาดนี้เบากว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ยความรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่อย่างแต่กี้เอาหัวล้ออีกทีหนึ่งเนี่เริ่มวางฟอร์มอีกแล้วแกลหัวล้อรู้สึกไหม <Yeah. S 1> ไม่หลุดหรอกนะรู้สึกไหมจิตตรงนี้เบากว่าเมื่อกี้แล้ว เ <Okay. S 1> นี่ยจิตอย่างนี้ต่าหากที่ใช้เจริญวิปัสนารู้สึกไหมเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงเราต้องการให้เห็นความจริงในกายในใจว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าอยู่ๆเราไปจ้องให้มันนิ่งนะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูนะไม่ใช่วิปัสนาแล้วกลายเป็นสมถะเปงั้นอย่าไปเพ่งมันอ่ะส่งมาข้างหน้ามาใครอยากกลับบ้านกลับได้นะเชิญ น้มันส ก, การครับหลวงพ่ออยากจะขอโอกาสหลวงพ่อสักสองสารอบครับไม่ไม่ไมว่ารู้สึกว่าใจมันชอบไหลมาเป็นบ่วงหลวงพ่ออ้าวว่าไปอยากจะขอโอกาสหลวงพ่อสักสองสมข้อครับผมคือผมฟังซีดีมามากทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมนี่เป็นทิฏจริตใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ก็คือควรดูจิตไปเรื่อยๆดูจิตเนี่ยดูความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับรู้<ม>ความรู้สึกตัวเองไป ครับผมก็คืออาจจะใช้ลมหายใจเป็นวิปัสสธรรมแล้วคอยดูจิตระวังจะไปติดเฉยนะครับผมเพราะว่ามีแนวโน้มที่ถ้าไปรู้ลมเดี๋ยวจะติดนิ่งๆเนี่ยเ น, น, นะ้ยแล้นิ่งอย่างเนี้อยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมต้องปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวไม่ใช่ไปให้มันนิ่งครับผมเพราะว่าเคยมีบางครั้งนะครับหลวงพ่อที่แบบพอเหมือนคิดว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันจะเหมือนไปคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ดีครับผมใกลายเป็นการเพ่งอืมครับผมขอบคุณครับ อ่อคนเอ๊ะค น, คนนี้เมื่อกี้ยก อ, อ่ะเอาไปเอาแล้วเดี๋ยวมานี่ยสีชมพูนี่รับมัศการหลวงพ่อค่ะเขารบกวน ถ, ถามว่าตอนนี้ติดขัดอยู่อะค่ะหลวงพ่อแต่ดู <นะ S 2> ไม่ออกอะค่ะตอนนี้อะไรนะรู้สึกว่าตัวเองอยังติดขัดอะไรบางอย่างอ๋ออึดอัดติดขัดอะค่ะหลวงพ่อทั้งติดขัดทั้งอึดอัดนั่นแหละรู <laughs> ้สึกไหม <laughs> ไปกดมันไว กดไว้ลึกๆเลยนะทำใจให้โปร่งๆไว้นะแต่ข้างล่างอะแอบไปกดมันไว้เหมือนเอาเท้าไปยันยันให้มันอยู่ห่างๆนะ <c oughs> อย่าไปเอาเท้ายันมันให้ห่างขนาดนนะั้นเรากลัวมันจะไหลเข้ามาปดเรารึยันมนเอยไว้นะ <c oughs> อ่ะสี <c oughs> ชมพูนี่ ก็หลังจากที่ปิคลุกกับแมนจนเวอร์ว่ะนะคะเมื่อวานมันก็สรุปว่ามันก็ผ่านมาก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้มันมีแรงสู้อีกแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ะต้องสู้จนหมดแรงอีกรอบนึงแล้วละค่ะรู้สึกว่ามันเป็นวัฏจักรอะค่ะมันวัฏจักรที่น่าสงสารมันเหนื่อยนะรู้สึกไหมมันเหนื่อยนะค่ะหลงพ่อหลก็เห็นใจเพราะอะไรจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันจริตนิสัยคุณนีมันเป็นนักต่อสู้มันไม่เลิกหรอกมันกัดติด มันต้องสู้จนสะบักสะบอมนะล้มลุกลุกครานล้มโซเซนึกว่ามันจะยอมแล้วไม่ยอมเดี๋ยววันเดียวมีแรงขึ้นมาอีกแล้วต้องสู้อีกลุงพ่อค่ะคือพอมันร้องไห้แล้วมันรู้สึกว่าเหมือนกายที่มันตั้งตรงๆแล้วมันก็งอลงมาแล้วพอแล้วมันก็ดีไปเลยแล้วมันก็กลับมาสู้อีกอะไรนั่นแหละเราทําอะไรไม่ได้หรอกจลินนี่ใสเราเป็นอย่างนั้นกลัวว่ามันจะจําแพทเทิร์นนี้อะค่ะแล้วก็กลับไปทำอะไรอย่าเงี้ มันทําขึ้นมาเราก็คอยรู้ทันเอามันอยู่ที่รู้ทันน่าส่งมาข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมาทางนี้สติหน้านที่เขายกจองคิวไว้นานแล้วค่ะอยากจะขอวิหารธรรมหลวงพอ่อโอ้ยขอวิหารหมดเลย <c oughs> วิหารธรรมพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วในสติปัฏฐานนะไปดูกายดูเวทนาดูจิตควรคิดมากอย่างเนี้ยไปดูใจตัวเองรู้สึกไหมเราคิดมากค่ะข <c oughs> ีน้อยใจไหม เออไปดูใจเวลามันน้อยใจก็ดูไปนะเคนใจน้อยใครอยู่ใกล้ปวดหัวแล้ว อ, อยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําพ่อให้ด้วยค่ะว่าควรจะปฏิบัติของของคุณพ่อไปเพี้ยงแรงไปนิดนึงนะดูให้ผ่อนคลายกว่านี้นิดนึงจริงจังไปเหมือนทหารจะออกสู่สงครามมากไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เป็นทหารหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ดูเข้มแข็งดีจังเลย ขอบพระคุณครับรับรับราชการเป็นทาหารครับเวลาเราสู้กับศัตรูเราเข้มแข็งอย่างนี้นะสู้กับกิเลสเราต้องมีชั้นเชิงสู้แบบโขงเบ้งสู้หน่อยนะมีเชิงพัดมันเอาพัดมาพัดให้มันสบายใจของโยมจริงจังไปเพ่งแรงไปเราเรียนรู้กิเลสเราเรียนรู้จิตใจตัวเองนะไม่ได้เรียนรู้มันในฐานะที่มันเป็นศัตรูของเรา เราเรียนรู้กิเลสเรียนรู้จิตใจของเราในฐานะที่เขาเป็นครูเรากิเลสเป็นครูเรานะต้องวางใจอย่างนี้เขาเป็นครูที่สอนให้เราเห็นเลยว่ากิเลสจะเกิดขึ้นเราก็ห้ามไม่ได้กิเลสจะมาก็ไล่ก็ไม่ไปอย่างเงี้ยกิเลสสอนไตรลักเราว่าเราบังคับเขาไม่ได้นี่โยมดูอย่างนี้นะดูเข้าในฐานะที่เป็นครูอย่าดูอย่างศัตรูศัตรูเนี่ยเรามุ่งทําลายมุ่งเกลียดชัง ครูเนี่ยเราดูครูครูแสดงให้ดูเดี๋ยวครูก็วิ่งมาเดี๋ยวปลูก็วิ่งไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้นี่เป็นครูของเราทั้งสิ้นเราดูอย่างนี้นะวางใจแล้วดูมันจะสบายขึ้นครับนะอมาทางนี้คนนั้นแอ บ, บยกที่หลังแล้วมั่งหนุ่มนั้นเมื่อกี้กลุ่มเนี้ใครมีสองสามคนว่าไป ที่เหลือเขาสารสิทธิ์ไปแล้วการนมัสการหลวงพ่อค่ะคือเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาได้ประมาณ4เดือนนะคะสภาวะที่รู้เห็นบ่อยๆก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเผื่อไปคิดอะคะ่ะแล้วก็โทสะอะค่ะใจขนาดนี้ไม่มีแรงไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมค่ะให้รู้ไม่ตั้งมันมมงม่นนะไหวพระส่วนมนต์เดินจงกรมอะไรเงี้ยช่วยให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นจิตจะมีแรงแบบนี้อยากพูดทราบไหมรู้ทั น, อ, นอย่างเนี้ย ทุกเช้าอะค่ะก็คือจะนั่งสมาธิแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้สงบอะค่ะระหว่างนั่งสมาธิมันก็จะคอยคิดฟุ้งซ่านนะค ะ, ะเวลานั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆน ะ, ค, ะคือถ้าถ้าปฏิบัติอย่างนี้คือมันจะตั้งมั่นไปเองใช่ไหมคะใช่แต่อย่างนี้ไม่ตั้งมั่นนะอย่างนี้แข็งเกินไปละค่ะนะไม่เป็นธรรมชาติลนะต้องรู้เล่นๆนะรู้ไหว้พระสวดมนต์ดูใจที่วิ่งไปวิ่งมานะรู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆายเดี๋ยวมันตั้งเอง ถ้าไอกคนดูเนี่ยสบายคงที่อยู่มันตั้งมั่นขึ้นมาไปส่งไปข้างหลังนั่นยกมือไว้ยาวลงเดี๋ยวหายเ <c oughs> หนื่อยทำไมบางคนบอกทำไมหลวงพ่อต้องพูดเร็วนะักสภาว่ามันเร็วถ้าหลวงพ่อพูดสไตล์นี้นะ <c oughs> <c oughs> จิตมันเปลี่ยนไปห้าร้อยครั้งแล้วใไหมดูทันที่ไหนเลยอย่าบอกว่าคุณโชคชัยกำลังเหลอนะคุณโชคชัย อย่างนี้โอ้โไป500้าร้อยครั้งแล้วเห<ม>็นไหมเราก็เลยต้องเร็วหยุดอบเลยบทีอ่ะรู้สึกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะป่ะครับแล้วก็มันไหวๆครับจิตตอนเนี้ยดีนะแต่ว่ามันไม่ถึงฐานเท่านั้นเองมันล้ำหน้าอยู่นิดนึงออฟไซด์อยู่นิดนึงถ้าเป็นนักบอลนะมันเหมือนออฟไซด์อยู่9ก้าสออย่างนิดเดียว <S <S คือไปเพิ่มสมรรถะเครับไม่ใช่ให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมัน่นรู้สึกไหมจิตมันเหมือนอยู่นอกๆจินไปอยู่ข้างหน้า ไปสว่างอยู่ข้างหน้าอ่างเงี้ยให้รู้ทันเอาให้ไปสังเกตเอาใช่ไหมครับสังเกตเอาไม่ให้ดึงนะถ้าเห็นมันอยู่ข้างหน้าเราไปดึงเนี่ยเดี๋ยวแน่นมานเลยต้องมานั่งแก้ที่หลังขอบคุณครับเอร้ยบเดยกมือไว้ยกไว้ยกไว้ไวมาส่งมาแถวหน้าสุดเลยนะช่วยกันรับหน่อยช่วยกันส่งว่องไวหน่อยทาพื้นดินเนะออยอย่าส่งทางอากาศนะ ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวบาคนมันส่งมาที่หลวงพ่อค่ะก็กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อเดินที่แล้วที่สาราดงชินนะคะมีคนกราบเรียนคำถามว่าคุณพ่อกำลังจะเสียค่ะจะน้อมนำจิตสุดท้ายของคุณพ่อยังไงอะค่ะแล้วหลวงพ่อก็ได้คำแนะนำว่าให้ทำจิตของเราให้เป็นกุศลค่ะใช่ค่ะ ลูกก็ได้นำไปปฏิบัติค่ะดีไหมก็รู้สึกดีค่ะต้องดีนะอย่างน้อยเราเราพ้นทุกข์ไปกว่านั้นพอจิตใจของเราสงบจิตใจแล้วตั้งมั่นนะมันจะเกิดพลังเหนี่ยวนำนะค่ะอย่างบางคนพ่อแม่จะตายนะพ่อแม่กาลังภาวนาพุทโธพระอรหันต์รนี้เตรียมตายแล้วนะลูกไปถึงขยาวโหโหอย่าเพิ่งตายเลยไปอบายเลยค่ะไม่ดี ค่ะก็ได้อยู่ดูใจท่านจนสุดท้ายเออมต้งค่ะก็ให้กำลังใจท่านดีทำหน้าที่ของลูกนะส่งพ่อส่งแม่ดีค่ะก็ก็ได้อยู่นานนะคะเพราะว่าคือท่านไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ประมาณสิบโมงแล้วก็หลับไปช่วงสิบโมงก็เห็นตัวเองแบบว่าเศร้าแบบอะไรอาวอร์อย่างนี้ค่ะแล้วก็ พอช่วงประมาณสักแต่คุณพ่อก็ความดันอะไรคงที่มาตลอด<ม>จนมาช่วงประมาณสี่ทุ่มพยาบาลก็เดินมาบอกว่าความดันลดลง<ม>ก็เห็นใจแัวเงว่ามันก็ไม่ได้ยินดียินร้ายว่า<ม>ว่าอะไรเหมือนเหมือนแบบมันเป็นกลางๆนะคะมไม่ได้รู้สึกอะไร<ม><ม>พอตอนเที่ยงคืนก็ถามพยาบาลเขาก็บอกว่าความดันลดลงอีกนะ<ม><ม>เราก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะคะ่ะ ก็ยังคิดว่าแบบไม่ได้คิดว่าแกจะไปเวลาไหนไม่ได้กังวลไม่ได้อะไรอะค่ะเนี่ยเราทำใจเราดีๆนะเราอยู่ใกล้ๆเขาอะไรอย่างเนงะี้ยเขาจะมีความสุขถ้าเราไปปล่อยพลังงานเลวร้ายนะั่นเขาไป่วงใจของเขาให้กังวลค่ะก็จนสุดท้ายก็อยู่พร้อมหน้าพี่น้องก็ส่งแกไปอย่างสงบค่ะเออดีค่ะแล้วก็มีคำถามหนึ่งค่ะหลวงพ่อที่ ว่าให้หาเ ค, เครื่องอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับเพลงอะค่ะพอดีว่าช่วงนี้ชอบจะฟังสวดมนต์ที่เขาใส่ทํานองเพลงอย่างนี้ค่ะเราใช้ตรงนี้ได้ไหมคะไม่ค่อยดีอนะไม่ค่อยดีถึ ง, จ, งจุดหนึ่งใจก็ฟุ้งซ่านเมื่อก็เพี้ยนๆบบซึมๆเลยซึมๆเมื่อก่อนนี้เขาชอบเพลงของทิเบตเลยใช่ไหมฟังแล้ว <c oughs> ลองฟังสามวันสามคืนต่อกันสิประสาทกินเหมือนกันนะ <c oughs> เ, เดี๋ยนี้จะใส่แบบพวกชินะบรรนัญชรจะใส่เป็นทํานองเพลงอย่างนี้นะค่ะคือคือถ้าเบื้องต้นตอนที่จิตมีความทุกข์มากจะใช้พวกนั้นไม่เป็นไรเป็นแค่อุบายผ่อนคลายเท่านั้นน ะ, ะเมื่อจิตมีกําลังอย่างนี้แล้วเนี่ยเอากายเอาใจของเราเป็นวิหารธรรมนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานให้เอากายเอาใจเป็นวิหารธรรมอันนั้นเป็นแค่อุบายเพื่อให้ผ่อนคลายเท่านั้นเองก็สุดท้ายคือ คุณพ่อทางโลกก็ไม่อยู่แล้วก็ขอให้คุณพ่อภานาแล้ววันหนึ่งจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าค่ะก็มีหลวงพ่อเป็นพ่อทางธรรมพ่อทางธรรมนะต้องเอาพระพุทธเจ้านะค่ะพระพุทธเจ้าจะเป็นพ่อเราเราภาวนาเขาค่ะเอาเชิญกลับบ้านไปอย่างนี้เขาเรียกแฮปปี้เอนดิ้งน่